คือโทษเครื่องเศร้าหมองสิบหกอย่างประการแรกขอให้นักเรียนนักศึกษาได้ทำความเข้าใจกับคำว่าอุปกิเลสเสียก่อนคำว่าอุปกิเลสได้แก่อารมณ์ที่เศร้าหมองนะหรือว่าสิ่งที่เศร้าหมองเป็นอารมณ์อันชั่วช้าลามกเข้าจับจิตใจให้เศร้าหมองขุน่นวม่เช่นเขาเมาจับผ้าขาวให้เป็นมลทินฉนั้น ฉะนั้นในอุปกิรณ์ทั้งหมดสิบหกอย่างนี้ก็คือหนึ่งอาภิชาวิสมะโลภะข้อสองโทสัความร้ายกาดหรือความคิดประทุษร้ายข้อสามโกทะความโกรธข้อสี่อุปาอุปนาหะความผูกโกรธไว้ข้อห้ามัคคะลบหลู่คุณท่านข้อหกปลาสตีเสมอท่าน ข้อเจ็ดอิ ส, สาคือความนิสยาข้อที่แปดมัชริยะความตนีนีความตา น, มตนีข้อที่เก้ามายาก็คือเจ้าเลข่ข้อที่สิบสาเถยะโอ้วดข้อที่สิบเอ็ดธรรมภะความเป็นคนหัวดือ้อข้อที่สิบสองสารัมภะความแข่งดีข้อที่สิบสามมานะความถือตัวข้อที่สิบสี่อติมานะดูหมิ่นท่าน ข้อที่สิบห้ามัทธะความมัวเมาข้อที่สิบหกปมาทะความเลิเล่ทีนี้ก็จะอธิบายทีละข้อละข้อไปนะเพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียนนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลายได้นำไปใช้เกี่ยวกับเรื่องการเรียนการศึกษาก็ดีเกี่ยวกับเรื่องการประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันก็ดีเพื่อการแรกมาทาความเข้าใจกับ คำว่าอภิชาวิสมะโลภะคำว่าอภิชาวิสมะโลภะข้อที่หนึ่งนี้แปลว่ า, าละโมบ ไ, ไม่สม่ำเสมอคือความเพ่งเลง็งนความโลภที่เพ่งเล็งในวัตถุของผู้อื่นความโลภไม่สม่ำเสมอด้วยอำนาจความเพ่งเลง็งหมายความว่าความโลภโดยเพ่งเล็งต้องการแต่จะได้ไปทุกสิ่งทุกอย่าง ในที่ที่ไม่ควรจะได้จะถึงคือหมายความว่าตนไม่มีโอกาสได้ไม่มีโอกาสได้ถึงก็ยังมีความอยากได้อยู่ร่ำไปนะในความอยากได้ตัวนี้แหละเรียกว่าอภิชาวิสมาโลภะนะคือทั้งๆที่ว่าตนเองไม่มีโอกาสนะไม่มีโอกาสนะไม่มีวันที่จะได้ก็ยังพยายามที่จะอยากได้อยู่เลย เขาเรียกว่าเพ้อฝันอยู่ตลอดเวลาแล้วไม่ใช่เฉพาะแค่นั้นอย่างเดียวเมื่อตัวเองไม่มีทางจะได้อย่างนั้นด้วยทางสุจริตแล้วก็คิดหาทางที่จะได้โดยทางทุจริตนี่มันเสียมากตรงนี้เสียมากตรงนี้เมื่อทางสุจริตไม่ได้ก็ต้องหาทางทุจริตหาทางทุจริตก็คือว่าไม่ได้ด้วยเลขก็ต้องเอาด้วยกนไม่ได้ด้วยมลก็ต้องว่ากันด้วยคาถาต้องว่ากันไปอย่างใดอย่างหนึ่ง นี่คิดอย่างนั้นฉะนั้นอันนี้แหละจึงทำให้เราเกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนมากนะคนที่มีความโลภเมื่อมีความทุกข์ความเดือดร้อนมากโทษก็คือว่าอาจล้างผลาญชีวิตมนุษย์แม้เพราะรั์เพียงเล็กน้อยก็มีเราจะสังเกตว่าตามหน้าหนังสือพิมพ์ก็ดีนะตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือว่าทางสถานีวิทยุ เขาได้ประกาศอยู่ทุกวันหรือตอนข่าวสองทุ่มอะไรก็ประกาศมีการลักกันมีการฉกชิงวิ่งราวกันมีการตัดช่องย่องเบากันเจ้าหน้าที่จับได้บ้างไม่ได้บ้างและที่จับมาก็สังเกตดูเต็มหมดบางคนก็ไปลักของมาสะสมไว้นะพวกวิทยุทีวี อตัวรทัดพัดลมเตารีดเครื่องเพชรทองย้อนอะไรต่างๆนี่เยอะแยะนะนี่นี่แหละที่แบรงเอาแล้วบางคนก็ถูกเจ้าของทับยิงตายก็มีบางครั้งก็ถูกเจ้าหน้าที่ยิงตายก็มีนี่ก็เพราะอาภิชาวิสมะโลภะตัวโลกนี่เอง น, นตัวโลกนี่แล้วบางครั้งก้อยของนิดหน่อยเท่านั้นก็ต้องเอาชีวิตเข้าไปแลกก็เพราะว่าเราเข้าไปผิดการผิดเวลา กลางค่ํากลางคืนบางคนก็ไปลักเป็ดลักไก่เขาก็มีนะนี่เป็นข่าวอยู่บ่อยๆนะลักเป็ดลักไก่เขาก็มีลักสุนัข ก, ก็มีแต่อะไรมันก็ไม่น่ามันไม่น่าแสลงใจเท่ากับที่เป็นข่าวเกี่ยวกับที่ไปลักไอ้กา ง, ง, ง, งแกงนงกางแกงไนของผู้หญิงเลยนะรู้สึกว่าแหมฟังดูแล้วมันยังไงชอบกล น, นี่นี่อ่ะมันนึกแล้วก็ น, น่าเกลียด นะดูแล้วก็มากเกลียดอันนี้เป็นพวกโรคจิตอย่างหนึ่งนะเป็นโรคจิตอย่างหนึ่งนี่ก็เป็นเรื่องของคนที่มีความโลภมากฉะนั้นคนมีความโลภเนี่ยทําให้เดือดร้อนนะทําให้เสียอาการอากับกิริยามารยา์ย่าเพราะอํานาจของความโลภมันบีบบังคับอต้องให้ตัวเองทําอย่างนั้นทําอย่างนี้ถ้าเป็นพระสององค์เนรก็เรียกว่าเสียสมณวิสัย เสียอาการของสมินาวิสัยเสียอาการของความเป็นผู้สงบทําให้เป็นอที่ติชินนินทาหรือขาดความเชื่อถือขาดความเคารพแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไปฉะนั้นเรื่องโลกนี้ถือว่าตัวมีอํานาจมากที่จะผลักดันให้เราทําอะไรโดยขาดความยับยั้งชั่งใจขาดความนึกคิดนะฉะนั้น คนที่มีความโลภนี้ก็คือคนที่อชอบอในการตัดช่องย่องเบาฉกจิงวิ่งราวาลักขโมยของผู้อื่นนี่นล ก, ก็จะมีแต่ทุกมีแต่โทษมีแต่ความเดือดร้อนในทางพระพุทธศาสนาก็ถือว่าคนที่มีความโลภนั้นจะต้องแก้ด้วยก็ด้วยความไม่โลภ แก้ด้วยความไม่โลภ ก, ก็คือตัวให้ทานนะต้องให้ทานต้องให้ทานคือคนเราถ้าให้เสร็จแล้วมันก็ไม่โลภนะคนที่เป็นคนให้นี่คือคนที่ไม่โลภเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่ น, นชอบช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นฉะนั้นก็คือต้องเป็นคนที่ให้ทานหรือจะพูดอีกในหนึ่งว่าคนที่ไม่โลภนั้นจะต้องเป็นคนสันโดษนะจะต้องเป็นคนสันโดษ ก็คือคนสันโดษก็คือยินด oui. <kommen S 2> <the> <m> ีในของที่ตนมีตนใช้นะยินดีในของที่ตนมีตนใช้นี่แหละคือคนคือคนสันโดษยินดีตามที่ตนมีตนใช้ตนมีตนใช้อย่างไรก็ยินดีแล้วคำว่าสันโดษนี่ไม่ได้หมายถึงว่าเมื่อตนมีตนใช้อย่างไรก็ใช้อย่างนั้นไม่ต้องทำมาหากินต่อไปไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นนะไอ้ความสันรรมากินนั้นจะต้องทาอยู่ร่าไปต้องทาอยู่ร่ำไป แต่ว่าเราทาด้วยสุจริตทาด้วยสัมมาชีพนะทำด้วยสัมมาชีพ น, ะมมพนี่คนเราถ้าหากว่าทาด้วยสัมมาชีพและทำด้วยสันโดษมันก็มีแต่ความพอดีแต่ที่เราทำกันทุกวันนี้ทำแบบว่าขาดความสันโดษก็คือขาดความพอดีไปยินดีในของที่ตนไม่มีในที่สถานที่ของไม่ได้มันก็เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนก็ทำให้เกิดการ มาฉกจริงวิ่งราวเกิดการตัดช่องย่องเบากันขึ้นเกิดการจี้ข้อนขากันขึ้นนี่แหละเนึ่งมาจากไม่สันโดษนั่นเองอนะนเราจะต้องแก้ด้วยอย่างนี้มาในข้อที่สองที่เรียกว่าโทสัความคิดประทุษร้ายนะความคิดประทุษร้ายตัวโทสักรไโทสัสนี่ก็พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า มันเหมือนกับว่าเป็นเป็นตัวพยาบาทนะเป็นตัวพยาบาทก็คือหมายความว่าคนเราถ้ามีโทสะแล้วก็เป็นคนที่มีอารมณ์ร้อนอารมณ์ฉุนเฉียวนะอารมณ์ฉุนเฉียวอนะ่เป็นคนดุร้ายในความเป็นคนดุร้ายคือคิดมุ่งคิดแต่จะประทุษร้ายผู้อื่นปราศ จ, จากเมตตากรุณาแต่ไม่ถึงกับว่า บางทีจะมุ่งล้างผลานชีวิตเขาอืแต่ว่าบางครั้งด้วยอํานาจโทสะนี่แหละนะด้วยอํานาจโทสะเนี่ยทําให้ให้ตัวเองทําอะไรไปจนลืมตัวนลืมตัวอ่บางทีก็อาจจะฆ่าเขาโดยรู้เท่าไม่ถึงการเผลอไปชั่วอารมณ์วูบเดียวก็มีหรืออาจจะเอามีดไปแทงเขาโดยอารมณ์วูบเดียวก็มีนี่ด้วยอํานาจโทสะ คนเราเมื่อโทสะมันเกิดขึ้นมากๆแล้วเนี่ยลืมตัวลืมตนลืมตัวลืมตนยับยั้งไม่ทันเขาจึงบอกว่าในเสือที่มันอยู่ในป่าเนยเสือโคร่งเสือดาวเสือเหลืองยแม้ว่ามันจะดุร้ายแต่เราก็สามารถที่จะยั้งมันได้หยุดยับยับย้งมันได้จับเอามาขังกรงได้เอามาฝึกหัดเป็นละครได้ละครสัตว์ได้ แต่โทสะอยู่ใกล้กับตัวเราเวลามันเกิดขึ้นมาแล้วนี่เราไม่สามารถจะจับมันไว้ได้ปล่อยให้มันทําอะไรตามอําเภอใจอยากจะด่าใครอยากจะฆ่าใครอยากจะทําร้ายใครจะชกต่อยใครตรีใครปล่อยให้มันทําตามอําเภอใจไปได้นี่เห็นไหมแสดงว่าโทสะนี่มันร้ายยิ่งกว่าเสืออีกนะร้ายยิ่งกว่าเสืออีกฉะนั้นวิธีแก้โทสะไอ้ความร้ายกาดความดุร้ายอันนี้แหละ เราจะต้องแก้ด้วยเมตตาต้องแก้ด้วยเมตตาหรือผู้ใดหนึ่งก็คือว่าต้องแก้ด้วยความอดทนอีกเหมือนกันต้องแก้ด้วยเมตตาคนมีเมตตาคือคนที่มีความปรารถนาดีคนที่มีความปรารถนาดีต่อกันมีความปรารถนารักใคร่กันไม่คิดจองร้างจองผานกันไม่คิดอาฆาตมาต ร, ร้ายกัน ฉะนั้นนี่แหละเราจะต้องมีเมตตาเมตตาอยู่ที่ไหนความร่มเย็นก็เกิดขึ้นที่นั่นหลวงพ่อองค์หนึ่งท่านได้สอนบรรดาศิทธิอนุสิ์ของท่านจนเป็นที่เคารพเรื่องเลยกันไปทั่วแล้ววาจาของท่านก็กศักดิ์สิทธิ์มากหลวงพ่อองค์นี้ชื่อว่าพระครูศรีคนานุรักษ์เป็นเจ้าน้าอําเภอศรีประจันปัจจุบันนี้ท่านอายุ87ปี ท่านจะบอกให้พุทธศาสนิกชนและศิษยานุสิทธิ์ของท่านให้ท่องว่าให้ทําจิตเหมือนปลาเมตตาเหมือนจิตเหมือนปลาเมตตาเหมือนน้าจิตที่ขาดเมตตาก็เหมือนปลาขาดน้ําอันนี้หมายความว่าให้คนเราทุกคนนั้นเอาจิตของตนเหมือนปลาให้มีเมตตาเหมือนน้าปลากับน้ําจะต้องอยู่คู่กันจิตกับเมตตาจะต้องอยู่คู่กัน ปลาขาดน้ำก็ตายจิตขาดเมตตาก็ตายตายจากคุณงามความดีฉะนั้นถ้าถ้าน้ำกับปลาอยู่ด้วยกันมันก็ตายยากจิตกับเมตตาอยู่คู่กันมันก็ตายยากฉนะนั้นจึงบอกว่าให้เราทุกคนนั้นทำจิตเหมือนปล า, เ, าเมตตาเหมือนน้ำจิตที่ขาดเมตตาก็เหมือนปลาขาดน้ำปลาขาดน้ำก็ตายจิตขาดเมตตาก็ตายฉะนั้นโทสะนี่เราก็ต้องแก้ด้วยเมตตา นะอย่าเป็นคนมีอารมณ์ร้อนฉุนเฉียวคนมีโกรธง่ายโทสะคิดประทุสร้ายเขาเนี่ยทำทาอารมณ์ของตัวเองเนี่ยให้เราร้อนมันไม่ตัวเองนะไม่ตัวเองทำให้ตัวเองมีอายุสั้นทำให้แก่เร็วอีกด้วยทำให้ประสาทมึนชา้ามึนงงสติปัญญาก็ไม่คข่วคล่องว่องไวอาจจะเป็นโรคหัวใจโรคประสาทก็ได้นะฉะนั้นเราจะต้องมีเมตตาเป็นเครื่องแก่เครื่องฉลม อจิตใจของคนที่มีโทสะให้ร่มเย็นให้เกิดความรักความปรารถนาดีต่อกันแปลการที่สามโกทะคือความโกรธนะโกทะคือความโกรธในโกทะความโกรธคือความฉุนเฉียวในเมื่อมีอารมณ์อันไม่พอใจมากระทบตาจะจากขันติความอดทนแต่ไม่ถึงกับประทุสล้ายเขาอืแต่ว่าโมโหเกิดเป็นอารมณ์ฉุนเฉียวอยู่ตลอดเวลานะ แต่ความโกรธบางอย่างก็เกิดความอาฆาตมาตร้ายทําให้ผูกร้ายจองเวรเขานะจองเวรกันอันนี้มันก็ไม่ดีนะความโกรธกับโทสะนี่มันใกล้เคียงกันโทสะคิดประทุษร้ายความโกรธคือความเป็นคนมีอารมณ์ฉุนเฉียวนะโกรธง่ายหายเร็วนะใครพูดอะไรผิดนิดผิดหน่อยก็โกรธอีกแล้วนะอย่างคนที่เป็นคนมีอารมณ์โกรธง่ายไม่มีความสุขนะไม่มีความสุข เป็นคนที่มีความวิตกกังวลอยู่ตลอดเวลานะอยู่ตลอดเวลาคือคนคนในสองประเภทนี้คนที่มีโทสะกับคนที่มีโกทัความโกรธง่ายนี้อสองคนนี้จะอายุจะสั้นนะและจะมีแต่ความเดือดร้อนอยู่อยู่ร่ําไปนะความเดือดร้อนอยู่ร่าําไปพระพุทธองค์จึงได้ตรัสไปว่าโกโกทังคัตวาสุ ข, ขังเตสติฆ่าความโกรธจะได้เป็นสุข การฆ่าความโกรธนั้นไม่ได้หมายถึงว่าเวลาใครโกรธขึ้นมาแล้วก็เอาปืนหรือเอามีดไปยิงไปแทงผู้นั้นคําว่าฆ่าความโกรธในที่นี้ก็หมายความว่าอฆ่าอฆ่าด้วยธรรมนะฆ่าด้วยธรรมฆ่าความโกรธต้องฆ่าด้วยธรรมทําอะไรคือฆ่าความโกรธก็คือขันตินั่นเองขันตินี่แหละเป็นตัวแก้เป็นตัวฆ่าอฆ่าความโกรธรจะได้แล้วอยู่เป็นสุข อยู่เป็นสุขดังนั้นเราจะต้องมีความอดทนในเมื่อมีผู้หนึ่งผู้ใดมาทำให้เราต้องเดือดร้อนใจเราก็อดทนไว้นะอดทนไวนะ้เราไม่ทำตามเขาอย่างนี้สบายใจต้องหาทางแก้เหมือนกับสองสามีภรรยาภรรยาแกเป็นคนด่าเก่งจู้จี้บ่นทุกวี่ทุกวันตั้งแต่เช้าจดเย็นจนสามีเบื่อทนไม่ไหววันหนึ่งก็ไปหาพระอาจารย์ บอกท่านอาจารย์ครับผมจะทนไม่ไหวสมองจะระเบิดอยู่แล้วอกจะแตกอยู่แล้วเพราะว่าเสียงบน่นเสียงด่าของภรรยาของผมนี่น่ารำคาญจริงจะมีทางแก้อย่างไรรพะอาจารย์ก็บอกว่าอา้าวจะไปยากอะไรเล่าเราจะไปสนใจเขาสิแกก็ตอบว่าแม้จะไม่สนใจอย่างไรก็อยู่บ้านเดียวกันมันก็ต้องเห็นกันอยู่ตามตาอยู่อย่างนี้มันก็ไม่สนก็เหมือนสนนั่นแหละอา้าว ถ้าอย่างนั้นเราก็เอาหนังสือมาอ่านซะเบีนความรู้สึกไปที่ตัวหนังสือน่ะไม่ทําเป็นไม่สนใจไอเสียงด่านั้นถ้าเขาดา่าแรงก็อ่านเสียงให้แรงไปเขาด่าค่อยก็อ่านเสียงให้ค่อยก็จะแก้ได้เออวิธีนี้คงจะเข้าท่าพอกลับมาจากอาจารย์นั้นแล้วแกก็มาอ่านหนังสือพออ่านหนังสือไปได้สักพักมาแล้วเสียงตามสายมาแล้วเรียกว่าเสียงเร็วกว่าตัวนะเสียงเร็วกว่าตัวมาก่อนตัววา่ากันเถอะ เป็นพวกประเภทปากจั๊กซิงเกอร์นะมาถึงก็ด่าสามีช็อต ๆ, ๆๆๆเลยสามีก็อ่านหนังสือเป็นการใหญ่ด่าไปได้ห้านาทีสามีก็เฉยพอด่าไปได้หกนาทีรู้สึกว่าหนังสือชักวันวันสันๆไปแล้วเจ็ดนาทีต้องวางหนังสือนะอ่านต่อไปไม่ได้แนะ้ววางหนังสือแปดนาทีแกก็ลุกขึ้นนะสามีก็ลุกขึ้น เก้านาทีก็เดินไปข้างหน้าภรรยาพร้อมกับพูดว่านี่คุณว่าคุณด่าใครภรรยาบอกอ้าวด่ามาตั้งเก้านาทียังไม่รู้เลยว่าด่าใครอ่แล้วภรรยาก็ชี้มือนมือไปที่หน้าของสามีบอกก็ด่ามึงนั่นแหละสามีก็บอกว่าเออด่ามึงก็แล้วไปนึกว่าดากูอ่ถ้าดากูแล้วก็ถูกซัดจะแน่นี่อันนี้ก็ แก้แก้กันอย่างง่ายๆนะเรียกว่าแก้ความความโกรธหรือสิ่งที่ผู้อื่นมาทําให้ไม่พอใจด้วยการง่ายๆว่าด่ามึงก็แล้วไปในก้นด่ากูนะนี่ฉะนั้นก็นักเรียนนักศึกษาถ้าเกิดว่าฟังใครดา่าแล้วก็พอร้องมอย่าเดินเข้าไปถามเลยนะอย่าเข้าไปถามเดี๋ยวจะว่าไม่บอกไม่เตือนกันถ้าเข้าไปถามาใกล้ๆอีกองนี้เราวคงไม่ด่ามึงนะอคงซั์มึงเข้าแน่แะอะไรเขาเนี้ยอืมอันนี้ก็ เป็นเรื่องคําขำที่เอามาเล่าแก้เซงในเรื่องส น, อน่อยเพราะงั้นอนี่เป็นเรื่องของโกทะความโกรธฉะนั้นให้โกทะความโกรธเนี่ยเราจะต้องแก้ด้วยขันตินะจะต้องแก้ด้วยขันติฉะนั้นเมื่อเรามีขันติคือความอดทนให้ความอดทนนี่แหละเป็นบ่อกเกิดแห่งคุณงามความดีต่างๆอันนี้ได้เคยให้นักเรียนนักศึกษาท่านในท่องว่าความอดทนทําให้คนเป็นคนดี อดทนถึงที่ได้ดีทุกคนนี่ดังั้นคนเราจะต้องอดทนให้มากนะในเมื่อมีใครมาด่ามาว่าก็อดทนให้มากใครด่าเราเราไม่ด่าตอบใครตีเราเราไม่ตีตอบใครลักของเราเราไม่รักตอบอย่างนี้สบายใจพระพุทธองค์จึงได้ตัดเลยว่าเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่ว่าเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร น, นี่เราจะต้องคิดอย่างนั้นอย่างนี้เราก็จะสบายใจนะ นมาประการที่สี่อุปนาหะผูกโกรธไว้นะผูกโกรธไว้ไอ้คำว่าผูกโกรธไว้เนี่ยได้แก่ความที่ใจโกรธแค้นไม่รู้หายเป็นลักษณะคือให้โทษอย่างเดียวกับความโกรธแต่มากกว่าเพราะเป็นการผูกโกรธยืดยาวเป็นทางก่อเวรและเป็นโอกาสที่จะให้ผลร้ายได้ทำร้ายได้มากนะได้มากกว่ากัน เพราะอาจจะกลายเป็นพยาบาทก็ได้ทั้งที่เป็นเครื่องตัดเป็นเครื่องตัดการสมัครสมานที่จะคืนดีด้วยกันเพราะว่าการผูกโกรธนี้ก็คือผูกใจเจ็บไปนั่นเองบางคนผูกไว้เป็นปีบางคนก็ผูกไว้ตลอดชีวิตบอกไว้เลยบอกว่าแค้นนี้ต้องชำร ะ, ะว่าเข้าไปนั่นว่าแค้นนี้ต้องชำร ะ, ะฉะนั้นก็ผูกโกรธคอยหาช่องหาโอกาสที่จะแก้แค้น ปีนี้เดือนนี้แก้ไม่ได้ก็เอาไว้เดือนหน้าเดือนหน้าแก้ไม่ได้ก็อาไว้ปีหน้าปีหน้าแก้ไม่ได้ก็เอาไว้ปีต่อไป<ม>บางคนบอกเห็นหน้าแล้วมันเจ็บใจน่จนเลยมาตั้งหลายปีเลยบอกเห็นหน้ามันเจ็บใจนี่แสดงว่าเอาไปผูกโกรธไว้อยู่ตลอดเวลายิาง<ม>่งผูกไว้มากความทุกข์ความเดือดร้อนมันก็มากเข้ามันก็มากเข้าก็เท่ากับว่าเราเอาไฟไปไว้ในใจเผาใจเราอยู่ตลอดเวลาเป็นปีๆ ฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่อยากเดือดร้อนไม่อยากเกิดความทุกข์ไม่อยากเกิดโทษมากก็เรื่องอะไรจะเอาไฟไปไว้ในใจเ ห, หมือนกับเราถือไฟเนี่ยนี่แหละเหมือนกับเราโผล่กรดกันไว้เรากรรมมันไว้เนี่ยเรากรรมมันไว้มันก็ไหม้มือเราเราโูล่กรดไว้มันก็ไหม้ที่ใจของเรามันก็ไหม้ของเราจะแบบเวลาฉะนั้นเราอย่าไปถือไว้อไปถือไว้ทําไมอ่ถือไว้มันก็ไหม้มือเราทําให้มือเราผุพองร้อนออาจจะพิกลพิการไปเลยก็ได้ เหมือนกันคนที่ชอบผูกโกรธอุปนิหาในผูกโกรธไว้ก็คือว่าเป็นคนที่ที่เก็บความโกรธไว้ยืดยาวนะมีโทษนะโทษมากยิ่งไปกว่ายิ่งโทสะโกทะเข้าไปอีกนะนะเพราะสิ่งเหล่านั้นมันเกิดชั่วประเดี๋ยวประเดาแต่อันนี้เกิดนานอาจเป็นเดือนเป็นปีและหลายๆายปีก็ได้ตัวโกรธนี้เป็นตัวก่อเวร น, นะเปิดโอกาสให้ให้ผลร้ายได้มากนะให้ได้มาก เป็นความพยามบาทคิดอาฆาตมาตร้ายต่อกันและไม่ต้องการที่จะคืนดีกันจุดประสงค์ของคนเรานั้นจะต้องมีความรักให้ปรารถนาดีต่อกันนะถือว่าเราทุกคนนั้นเป็นเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เจ็บตายด้วยกันเราจะต้องปรารถนาดีด้วยกันเมื่อเราไม่ปรารถนาดีด้วยกันแน่นอนที่สุดมันก็มีแต่ทุกมีแต่โทษมันก็มีแต่ความเดือดร้อนฉะนั้นอันนี้แหล ะ, ะวิธีแก้ตัวว่าผูกโกรธไว้ก็คือ เราจะต้องแก้อแ ก, ดกอสสอ้ด้วยความกรุณาสงสารอด้วยความกรุณาสงสารคือไม่อยากให้เขาต้องได้รับความทุกข์ถ้าหากว่าเราไปผูกโกรธไว้แน่นอนที่สุดเราไปคิดอาฆาตมาาร้ายเขาเขาก็จะต้องได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนดังนั้นเราจะต้องแก้เราจะต้องละานาละตัวผูกโกรธก็คือไม่ยึดมั่นถือมั่นละอุ ป, ปาทานาละอุ ป, ปาทานซิ ต้องละต้องวางถ้าเราไม่รู้จักละรู้จักวางไอ้ความโกรธมันก็จะตั้งอยู่บนใจของเราไปอีกนานแสนนานก็ทําให้ใจของเรานั้นหมดสมรรถภาพถูกไหมถูกเคียเค่ยงเกลียมสนิมมันเกิดขึ้นจากเหล็กแล้วมันก็กัดเหล็กให้ผุให้กร่อนไปชั้นใดไอ้ความผูกโกรธไว้เมื่อเรามันเกิดขึ้นดีใจของเรามันก็กัดใจของเรานั้นให้ผุให้กร่อนไปให้เกิดความหายนานะไปฉะนั้นเหมือนกันฉะนั้นเราจะต้อง ละเราต้องรู้จกักละรู้จักวางแล้วเราจะว่างจากความเดือดร้อนเราจะว่างจากความทุกข์เราจะว่างจากความอาฆาตมารร้ายเราจะว่างจากความพยาบาทเราก็จะมีแต่ความสุขเราก็จะมีแต่ความเจริญนะเราก็จะมีแต่ความเจริญมาในข้อที่ห้าคือมรรคะลบโลคุณท่านนะลบโลกคุณท่าน ไอ้คำว่ามักขารบหลูคุณท่านได้แก่การหมิ่นประมาทลบล้างคุณของผู้อื่นที่ได้ทำแล้วแก่ตนความลบหลูคุณท่านนั้นไม่ดีอย่างยิ่งเพราะผู้ประพฤติเช่นนั้นได้ชื่อว่าเป็นคนอัปตะยูอา่ากะตะเวทีไม่มีใครนิยมคบหาสมาคมและทำอุปการะอีกต่อไปทั้งนี้ไม่มีอะไรเป็นหลัก เอาแต่ลำพังใจอของตนเป็นเกณฑ์หารู้จักว่าความดีของใครเป็นอย่างไรไม่ตนก็มีแต่จะตกจมอยู่ในกระแสะความชั่วฝ่ายเดียวย่อมถึงความพินาศอดุดสนิมที่มีเหล็กแล้วมันก็ถูกสนิมอดุดอดุดสนิมที่เกิดจากเหล็กแล้วมันก็กัดเหล็กนั้นให้ผุให้ก่อนไปให้หมดไปฉะนั้นเหมือนกันฉะนั้น คนที่มีมรรคก็คือคนที่ที่ลบหลู่คุณท่านคือคนที่คิดประมาทลบล้างคุณท่านไม่รู้จักคุณบิดามารดาไม่รู้จักคุณครูอาจารย์ไม่รู้จักคุณครูคนของพระราชามากระสับไม่รู้จักคุณของพระพุทธเจ้าเหมือนยังกับระเทวทัพไม่รู้จักคุณของพระพุทธเจ้าคิดทําลายล้างพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งที่สุดตัวเองต้องถูกทรณีสูบ นี่เพราะไม่รู้จักคุณคุณหงท่านพระเจ้าชาติศัตรูไม่รู้จักคุณของบิดาพระเจ้าพิมพิสารคิดฆ่าคิดทำลายพระราชบิดาผลที่สุดตัวเองก็ต้องตกนรกไปในอเวจีเปนเ็นแสนปีนะเปนเ็นแสนตีนี่หรือว่าในอีกหลายๆอย่างเช่นนางจินเมานาวิกาไม่รู้จักคุณของพระพุทธเจ้ากลับไปโทษไปกล่าวจ้วงจาาหาพระพุทธเจ้าว่วา เป็นผู้ทําให้นางนั้นต้องเกิดการตั้งรันขึ้นอะไรขึ้นในทํานองนี้จนตรงที่สุดนางก็ถูกแผดเดินสศพนี่ถูกแผดเดินศบเรียกว่าไม่รู้จักคุณของพระพุทธเจ้าอีกหลายหลาคนก็ในทํานองเดียวกันอ่าทํานองเดียวกันฉะนั้นลูกเหมือนกันไม่รู้จักคุณของพ่อของแม่ก็คือลูกอักตันยูพ่อแม่ถือว่าเป็นผู้มีคุณกับลูกเราก็องค์ท่านในเปรียบว่า จะเอาพ่อเอาเอาแม่ไว้บ่าขวาเอาพ่อไว้บ่าซ้ายลูกนั้นจะเลี้ยงพ่อแม่อยู่บนบ่านั้นตั้งร้อยปีปนิบัติให้กินดีอยู่ดีให้ขี้เยี่ยวถ่ายบนบานั้นตั้งร้อยปีก็ไม่สามารถที่จะตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ได้หมดนี่ฉะนั้นลูกคนไหนเป็นลบหลูบบนคุณของพ่อแม่ลูกคนนั้นก็ถือว่าเป็นลูกอกตัอยู่นะเปลูกกบลูกแกะลูกเกาะลูกกัดลูกก้วย ไม่ดีไม่มีประโยชน์นะไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะฉะนั้นพระพุทธองค์อจึงได้ตัดเวนักไวนหนาเลยว่าพ่อแม่นี้เป็นพระพรหมของลูกพ่อแม่เป็นพระอาหารหันต์ของลูกพ่อแม่เป็นเทพประดาของลูกพ่อแม่เป็นครูคนแรกของลูกฉะนั้นลูกทุกคนจะต้องเคารพต้องบูชาต้องกราบต้องไหว้ต้องนําปัจจัยสี่มาบำรุงบาเรอท่านนะฉะนั้น ทางที่แก้ก็คือกระตันยูกระตะเวทีนั่นเองนะแก้แก้กับคนที่มีมรรคนะแก้ได้นะกับคนที่มีความรักข่าก็คือคนที่คนที่ลบหลู่คุณท่านเราก็ต้องแก้ด้วยคนมีความกระตันยูนะคนมีความกระตันยูกระตะเวทีรู้จักคุณท่านแล้วก็กระทาการตอบแทนอย่างนี้ใช้ได้นะอย่างนี้ใช้ได้ ฉะนั้นในในอาจารย์ก็เหมือนกันอาจารย์เป็นผู้ให้เราได้ศึกษาเล่าเรียนศิลปะวิทยาการต่างๆทําให้เรามีความรู้รู้จักดีหนีชั่วกลัวผิดซื่อสัตย์สุจริตเป็นนิสัยรู้แพ้รู้ชนะรู้อาภัยรักเกียรติรักวิในัยใจอดทนครูบาอาจารย์เป็นผู้สอนให้ประสิทธิ์ประสานวิชาการต่างๆให้เราจะต้องเคารพต้องเชื่อฟังเราจะต้องเคารพเชื่อฟังและหาโอกาสตอบแทนคุณท่านตามฐานะตามโอกาสอันสมควร เราทําอย่างนี้ได้ก็จะได้ชื่อว่าเป็นสิทธิที่มีความกตัญญูพระราชาหากรรษ็ิย์เหมือนกันท่านเป็นเจ้าของแผ่นดินนะท่าน เ, าเป็น เ, เจ้าแห่งทุกสิ่งทุกอย่างฉะนั้นที่เราอาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินนี้ก็อาศัยพระบรมามาโพที่สมผานหรือว่าอาศัยร่มโพรม่รมใสอของท่านอยู่ฉะนั้นเราจะต้องอแสดงความกตัญญูก็คือเช่นว่าปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ แล้วก็ให้ความเคารพเจอที่ไหนก็ให้ความเคารพให้ความกราบไหว้เราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญเอาละการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องอุปกิเ์สิบหกนั้นก็มีทั้งหมดสิบหกข้ออันนี้ก็มาได้เพียงแค่ห้าข้อนะห้าข้อเอาแล้วก็จะพูดในข้อต่อไปนะในข้อที่หกก็คือปรา萨 ปลาจัก็หมายถึง ว, ว่าการตีตนเสมอก็คือยกตนเทียมท่านยกตนเทียมท่านนี่ก็หมายความว่าคนทุกคนนั้นมักจะอวดดีนะอวดดีอวดเด่นนะว่าข่านี้ก็แน่นะอเป็นคนเรียกว่าดีกว่าเขาร่ำรวยกว่าเขานะี่มีความรู้มากกว่าเขาแล้วก็เลยยกตนเทียมท่านในการที่เราตีเสมอท่านยกตนเทียมท่านนี่แหละถือว่ามันเป็นกิเลสอย่างหนึ่ง นะเป็นความชั่วอย่างหนึ่งที่ทุกคนไม่อยากประสบไม่อยากจะพบเห็นนะฉะนั้นคนที่ยกตนเทียมท่านเป็นลักษณะมีอันกระทำซึ่งคุมของตนให้เสมอกับคุณของท่านอนะของท่านผู้อื่นเป็นต้นด้วยความท่านงใจฮึกเถิมว่าเขาก็คนเราก็คนเขาทําอะไรเราก็ทําทได้เท่าเขาหรือดีกว่าเขารู้อะไรก็รู้ว่าเขาอย่างนี้แน่นอนที่สุดมีแต่ทุกมีแต่โทษ เอาละการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องอุปกเลสมาก็เพียงได้เจ็ดข้อเท่านั้นในที่สุดนี้ก็ขอให้นักเรียนนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความสวัสดีโดยทั่วกันขอเจริญพรอุดในพมวดเบ็ดเล็ดว่าในเรื่องอุปกิเลสิบหกต่อจากคราวที่แล้วคราวที่แล้วได้พูดถึงเรื่องอาปาลาสะ คือการตีเสมอหรือว่าการยกตนเทียมท่านในข้อที่หกนะในข้อที่หกว่าคนที่ยกตนเทียมท่านาเป็นลักษณะมีอันกระทำรรซึ่งคุณของตนให้เสมอกับคุณแห่งท่านผู้อื่นเป็นต้นโดยความก็คือเป็นคนทนงมีใจฮึกเหิมว่าเขาก็คนเราก็คนเขาทำอะไรได้เราก็ทำได้อย่างเขา หรืออาจจะทําดีกว่าเขารู้อะไรเขารู้อะไรเราก็รู้เหมือนเขาออันนี้แหล ะ, ะเป็นทําให้ผู้อื่นเขาเกลียดชังเป็นที่บาดหูบาดตาของคนทั่วไปฉะนั้นอเราจะเป็นคนอย่างนั้นไม่ได้เราจะต้องอแก้ด้วยอาปจายนะก็คือความเป็นผู้ที่มีความอ่อนน้อมนะรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน นี่เราต้องแก้ด้วยอ่อนน้อมถ่อมตนคือคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนนี่แน่นอนที่สุดใครเห็นก็ชอบใครเห็นก็รักมันน่าน่าคบค้าสมาคมน่าคบค้าสมาคมรู้มากก็ทําเป็นรู้น้อยรู้น้อยก็ทําเป็นไม่รู้ไปซะเลยมีอย่างนี้แหละดีจเรียกว่ามีนิสัยเป็นนักปราชญ์มีนิสัยเป็นบัณฑิตฉะนั้นการที่เราจะแก้ ปราศะคือการตีเสมอก็ต้องแก้ด้วยอปจายนะก็คือด้วยการอ่อนน้อมถ่อมตนนั่นเองรู้จักเป็นคนอบเอื้ออารีเอื้อเฟือ้อต่อผู้อื่นให้ความเกื้อกูลกับผู้อื่นให้ความเคารพผู้อื่นอ่อนน้อมถ่อมตนเจียมเนื้อเจียมตัวอย่างนี้ก็จะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญ มาในข้อที่เจ็ดคืออิศานะอิศาหรือที่เรานิยมพูดกันว่านิษยาคือเห็นเขาได้ดีทนอยู่ไม่ได้นะทนอยู่ไม่ได้เห็นเขาได้ดีทนอยู่ไม่ได้ไอ้คาว่าอิศาริสยาเห็นเขาได้ดีทนอยู่ไม่ได้นี้ก็คือเห็นเขาได้ดีทนอยู่ไม่ได้โดยใช้อุบายหาช่องทางตัดรอนความดีความเจริญของเขาให้โทษคือเป็นเหตุที่จะให้ก่อเวรปองไร้ กันและกันทั้งตัวก็จะไม่ได้ดีเพราะอไม่ตั้งใจทําดีมัวแต่ไปคิดตัดรอนผู้อื่นนนี่เรียกว่าคนอิจฉาหรือว่าคนลิษยาที่เรามักพูดว่าแม่คนนี้ชอบลิษยาเนะี่ยนี่เราพูดอย่างนั้นคือคนลิษยานี่ท่านบอกว่าพระพุทธองค์ท่านในตัดไว้ในจุลกรรมสูตรอุปริปันธาแห่งพระสุตรตามตบีดกว่า คนที่ชอบวิสยาผู้อื่นนีเนนเเนนะ้เป็นคนที่เกิดในตระกูลต่ำนะเป็นคนที่เกิดในตระกูลต่าหรือพูดง่ายๆเพราะว่าเป็นคนชอบไปตัดรอนความดีของเขาเขาได้ดีก็ไม่ยอมรับความดีเขานะแทนที่จะมีความยินดีแสดงมุ ũ ทิตากับเขาว่าเขาได้ดีอย่างนั้นอย่างนี้ยกย่องเขาชมเชยเขาแต่ว่ากลับไปอิจฉาริษยาเขานะเลย เลยคนประเภทนี้แหละคือคนที่ทำตัวเองให้ร้อนนะฉะนั้นเราจะต้องแก้แก้ด้วยอะไรแก้ด้วยมุทิตาความเป็นผู้ยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีนะเช่นว่าเราจะเห็นว่าในทางพระก็คือมีการไปแสดงมุทิตาสการะมีดอกไม้ทูบเทียนในทางคารวาดก็ในทางโลกโลกก็มักจะมีการ กล่าวคาพูดว่าแสดงความยินดีด้วยหรือก็นําของฝันไปให้อะไรก็แล้วแต่ตามฐานะตามโอกาสอันสมควรนะมาในข้อที่แปดมัจฉ ร, ริยะคือความตะหนีนะความตะหนีไอนะความตะหนีก็คือคนที่ตะหนีก็คือพูดอย่างภาษาชาวบ้านก็เรียกว่านะคนขี้เหนียวนะคนขี้เหนียวคือมีความหวงแหนเป็นลักษณะไม่อาจทํานำะของของตน ให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นให้โทษคือทำให้ตนเป็นคนมีจิตใจคับแคบหาพวกพ้องเพื่อนฝูงได้ยากไม่มีใครอยากคบค้าสมาคมและช่วยเหลือเกื้อหนุน เ, เพราะคนที่มีความมัจยะเป็นคนเห็นแก่ตัวไอ้นนคนที่เห็นแก่ตัวนะทาอะไรก็ทาเพื่อตัวทำเพื่อพวกพ้องของตัวทำเพื่อญาติของตัว คนอย่างนี้ถ้าหากว่าไปทำงานให้กับประเทศชาติก็ไม่มีความเจริญไม่มีความก้าวหน้าเพราะเขาไม่เอาประโยชน์ส่วนรวมเป็นใหญ่ของเอาแต่พวกพ้องเอาแต่พี่น้องของตัวฉะนั้นคนที่มัชฉันี้ท่านบอกว่าเป็นคนที่มีจิตใจคับแคบนะคนอย่างนี้ไม่มีความสุขนะเพราะว่าเขากลัวว่า สิ่งที่ตนมีตนได้อยู่นั้นจะเป็นทรัพย์สินเงินทองของใช้ก็แล้วแต่กลัวมันจะขาดหายไปจะสิ้นสูญหายไปนะสิ้นสูญหายไปคนประเภทนี้ก็คือว่าเหมือนกลับไปนั่งไปนอนอยู่ในที่แคบแคบนะอยู่ที่แคบแคบเหมือนว่าไปนั่งไปนอนอยู่ในตุม่มมันอึดอัดนะมันอึดอัดมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเดือดร้อนนะนะเหมือนกับมัทกุลดาลี นะมัตตคุณนลีเนี่ยอาศัยพ่อเป็นพวกมิจฉาทิฏฐิแม้แต่ลูกนั้นเจ็บปวดป่วยไข้ก็ยังไม่พาไปหาห ม, หาหมอท้าวหอหรือไม่พาไปหาซื้ออยู่ซื้อยาที่ถูกที่กวรให้แต่กลับไปหายากลางบ้านะไอ้ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าถ้าพาไปหาหมอก็กลัวว่าจะต้องเสียทรัพย์มากเนะี่ยจะต้องเสียทรัพย์มากอันะควรจะต้องเปลืองนะี่แม้แต่คนที่มาเยี่ยมลูกที่เจ็บป่วย ก็ยังไม่อยากให้มาเพราะกลัวว่าจะเปลืองอยู่เปลืองยาเปลืองน้าเปลืองอาหารนี่จึงต้องหามเอาลูกเนี่ยไปซ่อนไว้ที่ชายระเบียงกลัวคนจะเห็นจะรู้นี่ถึงขนาดนั้นนะถึงขนาดนั้นผลที่สุดลูกนั้นก็ใกล้จะตายแต่ด้วยบุญญาบา ร, รมีที่ลูกเลยสะสมไว่มากปรากฏว่าบา ร, รมีของลูกนั้นได้ไปเข้าข่ายพยานของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็เลยเสด็จมาโปรด เอมาโปรดก็มาเปล่งรัศมีให้ในขณะนั้นก็ใกล้จะตายแล้วนะนอนตะแขคงพระองค์ก็เลยเปล่งรัศมีไปแวบหนึ่งคล้ายๆเหมือนเรากล้องถ่ายรูปนะไฟแฟลชอย่างนี้แวบหนึ่งก็อมัตตคุณนาลก็เหลียวมาดูเอ๊ะนิ่มแสงอะไรเขาก็เห็นเป็นรูปพระพุทธองค์ประทับยืนอยู่ก็เกิดความเลื่อมใสเอรูปนี้หน้าเลื่อมใสเหลือเกินก็ยกมือขึ้นไหวพร้อมกับทำจิตให้เลื่อมใสแค่นั้นก็ขาดใจเออ แค่นั้นเลยก็ขาดใจก็ไปจุติเป็นเทพบุตรนี่นี่เห็นไหมแต่ว่าส่วนอาเศรษฐีนั้นปรากฏว่าตายไปแล้วก็เอพอลูกตายไปแล้วก็เกิดความคลั่งครวญเสียอกเสียใจร้องไห่นะร้องไห้มากเลยเสียดมเสียดายอาฝ่ายเทพบุตรที่เป็นลูกก็มองเห็นพ่อของตัวเองร้องไห้ก็เลยปลอมตัวมาปลอมตัวเป็นครามมามาถามบอกว่าเอ้าลุง อ่าหรือว่าพ่ อ, อร้องไห้ด้วยเหตุอัะไมก็บอกว่าลูกตายอย่างนั้นอย่างนี้เอลูกตายอย่างนั้นอย่างนี้ก็บอกว่าเสียใจมากเสียดายมากอืมก็บอกว่ามันการร้องไห้อย่างนี้มันไม่มีประโยชน์หรอกนะไม่มีประโยชน์หรอกเพราะว่าร้องไห้ก็ไม่สามารถที่จะทําให้ฟื้นขึ้นได้เนอะไม่ทําให้ฟื้นขึ้นได้ว่าฮันพระมองไม่เห็นเออกลายเป็นว่าลูกก็เลยสอนพ่อเซะเลย ลูกก็เลยสอนพ่อเสียเลยแล้วก็แถมยังบอกให้พ่อนะให้ทําจิตใจให้เลื่อมใสในพระพุทธธรรมประสงค์แล้วก็จะได้ไปสู่สุคติจะไม่เกิดเป็นเทพประบุเหมือนกับตนตนนี่แหละคือเป็นลูกนะเป็นลูกของพ่อนั่นเองอเมื่อก่อนนี้อาศัยพ่อผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิอในนิธิท่า น, นบัตรนี้เราได้เกิดในที่ดีแล้วก็เพราะทําจิตใจให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้า ก็ขอให้พ่อั้นได้ทำจิตใจให้เลื่อสใสในภู้เจ้าพ่อก็จะได้เป็นสัมมาทิฐิแล้วก็จะไปสู่สุคติพบโลกสวรรค์พ่อก็ปฏิบัติตามก็ได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์นี่เป็นเรื่องย่อๆเอามาขั้นกันเซ็งไปแค่นั้นเองนะฉะนั้นคนที่มีความมัจฉยะคือคนที่มีความตนหนีเหนียวแน่นห่วงแหนทั้งของกินของใช้ทรัพสมบัติทุกสิ่งทุกอย่าง คนประเภทนี้ก็จะมีแต่ทุกข์มีแต่โทษมีแต่ความเดือดร้อนอยู่ร่ำไปฉะนั้นวิธีแก้ก็คือแก้ด้วยการบริจาคนะต้องแก้ด้วยการบริจาคทานการช่วยเหลือเกื่อกูลผู้อื่นคนถ้าหากว่าเป็นการช่วยเหลือเกือกูลผู้อื่นบริจาคแล้วแน่นอนที่สุดก็จะเป็นคนมัจยะไม่ได้เป็นคนเตณไม่ไดเ้เพราะเห็นว่าการที่ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นนั้นเป็นประโยชน์ส่วนรวม ฉเฉลี่ยความสุขของตนให้กับคนอื่นคนประเภทนี้แหละจะอยู่ในสมาคมใดก็มีแต่คนนักมีแต่คนยกย่องมีแต่คนนับถือมีแต่คนเคารพบูชาทีนี้มาในข้อที่เก้ามายาก็คือมายาหรือมัญยาความเป็นคนเจ้าเล่ห์ความเป็นคนเจ้าเล่ห์คนมีมัญยาเจ้าเล่ห์นี้มีกิยาอาการปกติดไว้ซึ่งบาปอันตนกรําแล้วเป็นลักษณะ ให้โทษคือเป็นเหตุทําให้ผู้อื่นขาดความเชื่อถือไว้วางใจในตนขาดความเชื่อถือไว้วางใจในตนอเพราะตัวเองนั้นอปกปิดความชั่วไว้ปกปิดอันสิ่งที่ไม่ดีไม่งามไว้แล้วก็แสร้งทำเป็นผู้อดีหรือว่าอแสร้งทําเป็นว่าตัวเองนั้นอรู้ทุกสิ่งทุกอย่างหรือว่าทําตัวเองนั้นฉลาดทุกสิ่งทุกอย่างอทําให้กลคนอื่นไว้วางใจแต่จริงๆแล้วก็ ไม่น่าไว้วางใจฉะนั้นคนประเภทนี้เราจะต้องแก้ด้วยสัจจะก็คือมีความจริงใจให้ความจริงใจเพราะคนมีบรรัญญาคนเจ้าเล่ห์นั้นไม่มีความจริงใจฉะนั้นเราต้องมีความจริงใจก็คือตัวสัจจะแปลว่าความจริงในความจริงอันนี้แหละมันมีลักษณะอยู่สามอย่างจริงตรงแท้หนจริงตรงแท้คนเราถ้าเป็นคนจริงๆแล้วก็ จะไปทาอะไรมันก็จริงดังนั้นเป็นพ่อคนก็เป็นพ่อจริงๆเป็นแม่คนก็เป็นแม่จริงๆเป็นลูกคนก็เป็นลูกจริงๆเป็นครูคนก็เป็นครูจริงๆแม้เป็นพระก็เป็นพระจริงๆแต่ถ้าหากว่าไม่มีความจริงแล้วก็กลายเป็นคนเล่นไอ้คนเล่นเล่นมันก็เหมือนกับลิเกที่มันเล่นเล่นลีเกหรือละครที่มันเล่นเล่นสมมุติเป็นเจ้าเอสมมุติเป็นเสนาการมันเล่นเล่นเล่นสมมุติเล่นเล่นจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นเจ้าเป็นกษัตริย์ นะไม่ได้ฆ่ากันตายอย่างนั้นนะแต่สมมุติว่าตายทนคนที่ทเล่นๆเนี้ยไปทําเป็นพ่อคนก็เป็นพ่อเล่นๆ เ, เอาไปทําเป็นแม่คนก็เป็นแม่เล่นๆ เ, เอาไปทําเป็นลูกคนก็เป็นลูกเล่นๆไม่มีความจริงใจนะไม่มีความจริงใจแม่ไปทําเป็นพระก็เป็นพระเล่นๆอีกไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะหรือสัจจะนี้ความหมายหนึ่งก็คืออตรงนะไอ้คําว่าตรงเนี่ยมันตรงกับข้ามคำว่าโคตร ไม้คดเหล็กคดเอามาทําเป็นประโยชน์ได้คนคดทําอะไรไม่ได้คนคดอาไปทําเป็นพ่อคนก็เป็นแพ่อพ่อคดแม่คนก็เป็นหมอกแม่คดผัวคนเป็นผัวคดเมียคนเป็นเมียคดลูกคนเป็นลูกคดเป็นครูคนเป็นครูคดเป็นทหารตํารวจก็เป็นทหารตํารวจที่คดมันคดไปหมดเลยทําอะไรไม่ได้นไม่มีประโยชน์อะไรเลย แต่ถ้าหากว่าถ้าเป็นคนตรงตรงมีความซื่อตรงเอาไปทำเป็นพ่อคนก็เป็นพ <of> ่อ <th> ท <ru. S 1> ี่มีความซื่อตรงเป็นแม่คนก็เป็นแม่ที่มีความซื่อตรงไปทำเป็นผัวคนเมียคนก็เป็นผัวเป็นเมียที่มีความซื่อตรงเป็นลูกที่มีความซื่อตรงเป็นครูอาจารย์ที่มีความซื่อตรงเป็นพระที่มีความซื่อตรงแม้ว่าจะไปเป็นทหารตำรวจก็เป็นทหารตำรวจที่มีความซื่อตรงนี่มีประโยชน์นะอย่างนี้มีประโยชน์ประเทศชาติต้องการนะ และสัจจะในความหมายที่สามก็คือแท้นะไอ้คาว่าแท้เนี่ยมันตรงขกับคําว่าเทียมนะไอ้ของเทียมก็คือของเก้ของปลอมไอ้คนเราถ้ามันเป็นอคนเทียมก็คือคนเก้คนปลอมไอ้คนเก้เนี่ยมันไม่เข้าท่าไอ้ตองรวจทหารที่เก้เนี่ยแต่งตัวเก๋นะเขาจับได้ก็เข้าคุกเข้าตารางเสียชื่อเสียงอีกด้วยไอ้คนเราคนเก้เหมือนกันคนเก้ไปทําเป็นพ่อคนก็เป็นพ่ อ, ก เ, พ อ, พอเก้พ่อเทียมพ่อปลอม เป็นแม่แก้แม่เทียมแม่ปลอมเอ่เป็นผัวเป็นเมียคนก็เป็นผัวเป็นเมียแก้เป็นผัวเป็นเมียปลอมอ่าเป็นผัวเป็นเมียที่เทียมไม่ใช่ผัวเมียแท้ๆจริงๆไม่มีประโยชน์เอ่เป็นครูก็เป็นครูแก้เป็นทหารก็เป็นทหารแก้เป็นพระก็เป็นพระแก่อ่เป็นของปลอมไปหมดนะไม่มีค่าไม่มีราคามีแต่ทุกข์มีแต่โทษนะอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะใช้ไม่ได้แล้วก็ถ้าหากว่าเราเป็น คนแท้ๆนะเป็นคนแท้ก็แน่นอนที่สุดไอ้คนแท้เอาไปทําเป็นอะไรมันก็แท้ไปหมดเป็นพ่อคนก็เป็นพ่อแท้ๆเป็นแม่คนก็เป็นแม่แท้ๆเป็นลูกคนก็เป็นลูกแท้ๆน่ะเอาไปทําเป็นผัวเมียคนก็เป็นผัวเมียแท้ๆน่ะเอาไปทําเป็นลูกคนก็เป็นลูกแท้ๆครูอาจารย์ก็เป็นครูอาจารย์แท้ๆไปทําเป็นพระก็เป็นพระแท้ๆน่อหรือเป็นทหารตำรวจก็เป็นทหารตำรวจที่แท้ อย่างนี้ใช้ได้งานะเป็นของที่ที่จริงที่ทุกคนประสงค์และก็ตราถนาอย่างนี้ก็มีแต่ความเจริญมีแต่ความก้าวหน้านะมีแต่ความก้าวหน้านี่แหละฉะนั้นเราจะต้องแก้คนที่มีมายาคนเจ้าเล่อด้วยความเอด้วยด้วยให้ความจริงใจด้วยสัจจะนะด้วยสัจจะคือความจริงหรือว่าความซื่อสัตย์ที่คนโบราณเรามักจะพูดว่าซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะ คือกินไม่หมดกดกินไม่นานนี่แหละใช้ได้ทีนี้ก็มาในข้อที่อข้อที่สิบก็คือสาเถยะอโอ้อวดนะโอ้อวดในคําว่าสาเถยยะโอ้อวดนี่ก็คือมีอาการอันกล่าวซึ่งคุณของตนอันมิได้มีเป็นลักษณะให้โทษคือเป็นเครื่องตัดผลทางวิชาความรู้ความดีอันจะเกิดมีแก่ตนในภายหน้าเสีย ไอ้คนอ้วนอวดนี่หมายความว่ามีความรู้น้อยก็อวดรวมมีความรู้มากนะมีเงินน้อยก็อวดรวมมีเงินมากนี่มีความดีน้อยก็อวดรวมมีความดีมากอันนี้แหละเท่ากับว่าเป็นการเป็นการตัดคุณความดีของตนนะเนียกว่าเขารู้เข้าแล้วใครก็ไม่อยากคบค้าสมาคมนะไม่อยากที่จะอบรมสั่งสอน ไม่อยากที่จะให้ความรู้ให้วิชาไม่อยากที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลเพราะเขาเป็นคนอวดดีอวดมั่งอวดมีอวดร่ําอวดรวยอวดรู้เรียกว่ารู้ดีไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างนะคนประเภทนี้แน่นอนที่สุดเราจะต้องแก้ด้วยอัถัานยุตตาอนะอัถัานยุตตาก็คือความเป็นผู้รู้จักเหตุนะความเป็นผู้รู้จักเหตุคือหมายถึงว่ารู้จักเหตุแ ห, ห่งความเสื่อมรู้จักเหตุแห่งความเจริญนี่ต้องรู้อย่างนั้น อถ้าหากว่าเรายังไม่รู้จักเขต็ดในความเสื่อมเหตุความเจริญเราก็จะต้องโอ้อวดต่อไปเราก็จะต้องโอ้อวดต่อไปเพราะว่าการโอ้อวดนั้นก็คือว่ามันไม่มีอะไรอยู่ในมันไม่มีดีอยู่ในตนเลยเหมือนกับว่าอ่าเหมือนกับที่เขาบอกว่าไอ้คนโง่มักจะอวดฉลาดไอ้คนจนเรามักจะอวดรวยนี่ไอ้พวกนี้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ฉะนั้นเราจะต้องรู้ฐานะของเราว่าเราเป็นอะไรอ รู้เหตุอรู้เหตุว่าเหตุที่จะให้ทำให้เราเจริญเหตุที่จะทําทให้เราเสื่อมถ้าว่าเราโอ้อวดนี่มันทําให้เราเสื่อมเนี่ยเราก็แก้ไขซะอถ้าว่าทําให้เราเจริญเราก็ควรจะปฏิบัติตามเนี่ยฉะนั้นคนที่มีความโอ้อวดก็คือสาทยะก็ต้องแก้ด้วยอัถถัญยุตตาความเป็นผู้รู้จักเหตุแห่งความเสื่อมเหตุแห่งความเจริญอืข้อที่สิเอ็ดก็คือทำพระหัวดือ้อ ไอ้คนหัวดื้อก็คือคนที่ดื้อรั้นนะได้แก่คนหัวแข็งใจแข็งว่ายากสอนยากให้โทษก็คือว่าเพราะผู้ประพฤติตนเป็นคนหัวดือ้อว่ายากสอนยากเป็นมลทินเครื่องเร้าหมองแก่ผู้ที่ได้ประพฤติเช่นนั้นและได้ชื่อว่าฆ่าตนเองเสียจากความดีที่ตนจะพึงได้เป็นผู้ไร้ที่พึ่งพาทั้งทางโลกทางธรรมนยทางโลกทางธรรม ไอ้คนหัวดื้อนี่ไม่มีใครอยากคบค้าสมาคมนะไม่มีใครอยากคบค้าสมาคมเพราะเป็นคนมีทิฐิมานะเป็นผู้แข็งกระด้างนะคนหัวดือ้อฉะนั้นเราจะต้องแก้ด้วยโสวจัตสตาความเป็นผู้ว่า ง, ง่ายสอนง่ายไอ้นคนที่ว่า ง, ง่ายสอนง่ายก็คือว่ายอมรับฟังยอมรับคำตักเตือนของอผู้กล่าวอบรมสั่งสอนหรือผู้เตือนอด้วยความพอใจแล้วก็ ไม่ดูหมินเยียดยามผู้ตักเตือนอีกด้วยไม่โกรธผู้ตักเตือนอีกด้วยยอมรับฟังแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติตามด้วยความยินดีด้วยความเต็มใจด้วยความเคารพด้วยความนอบน้อมอย่างนี้แหละเรียกว่าเรามีโสวจัตสตายิ่งไปกว่านั้นคนที่มีโสวจัตสตาความเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายก็คือเป็นคนที่ยอมรับ ความดีที่เขาตักเตือนด้วยคำพูดเช่นคำว่าดีแล้วขอบคุณครับขอบคุณค่ะอขอบคุณที่ให้สติคอยตักเตือนและจะต้องเป็นคนที่มีความอดทนอีกด้วยฉะนั้นคนที่หัวดื้อคือคนธรรมพระนี้ถ้าหากว่ายังดื้อรั้นไปอย่างนี้ก็ไม่มีใครอยากที่จะคบค้าสมาคมด้วยกลายเป็นว่าเป็นคนที่จะต้องตกกระทำลังหากไม่มีความรู้ไม่มีคุณงามความดีที่คนจะคบค้าสมาคม ฉะนั้นก็พึงแก้ด้วยโสวจัตสตาความเป็นผู้ว่า ง, ง่ายสอนง่ายไม่ดื้อรั้นนะอย่างนี้ก็จะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญประการที่สิบสามก็คือมานะอ่าสิบสองก็คือสารัมภะก็คือแข่งดีนะนตัวแข่งดีนี่ก็คือหมายความว่ามีอาการ คนที่แข่งดีนั้นมีอาการนั่กระทำยิ่งกว่าเหตุเป็นลักษณะได้แก่การปลารบกิจการของผู้อื่นคือทํากิจของตนให้เป็นทวีคูณแห่งกิจการของผู้อื่นเป็นผู้มักใหญ่ไฟสูงไม่รู้จักประมาณเมื่อกิจการนั้นๆสําเร็จดังประสงค์ก็คงเป็นผู้ทะเยอทะยานเป็นผู้ก่ อ, อปอภัยก่อเวรเมื่อไม่สมประสงค์ก็ย่อมได้รับความโทมนัสเสียใจคับแค้นใจ เกิดเป็นทุกข์คนที่ชอบแข่งดีแข่งดีถ้าให้เป็นไปในกิจฝ่ายอากุศลย่อมยังบุคคลให้ไปสู่อบายโดยส่วนเดียวถ้าเป็นไปในกิจในฝ่ายที่กุศลเช่นเห็นผู้อื่นถวายสลากกระพัดหนึ่งสลากตนก็ต้องถวายสองสลากคนอื่นถวะคนอื่นรักษาศีลห้าตนก็ต้องรักษาศีลแปดเป็นต้น เราเรียกว่าเป็นคนที่ชอบอวดดีชอบแข่งดีอยู่ตลอดเวลานะอยู่ตลอดเวลาในแข่งเรือแข่งพายนะั้นมันก็แข่งกันได้นะแต่เนี่ยมาแข่งดีแข่งบุญวาสนาแล้วนะมันแข่งกันยากนะเราจะต้องทําด้วยใจแต่ว่าถ้าเราทําเพื่อจะอวดว่าตนดีกว่าเขาเหนือกว่าเขาเลิศกว่าเขาแล้วก็แน่นอนที่สุดอันนี้ก็มีแต่ความหายนะมีแต่ทุกข์มีแต่โทษอันนี้ก็จะต้องแก้ด้วยอัถันยุตตาอีกเหมือนกันก็คือว่า ความเป็นผู้รู้จักเหตุแห่งความเสื่อมเหตุแห่งความเจริญเหตุแนหะ่งความเสื่อมเหตุแห่งความเจริญว่าการที่เราทำอย่างนั้นมันเป็นเหตุแห่งความเจริญ er ให้แก่เราไหมมันสร้างความเจริญให้แก่เราไหมมันสร้างความดีให้แก่เราไหมหรือว่ามันเกิดความช่วยแก่เราสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่เราสร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงให้แก่วงตระกูลของเราไหมเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้แล้ว ถ้าหากว่าเป็นไปในทางที่ดีเราก็กระทำตามแต่ถ้าเป็นในทางที่ไม่ดีเป็นในความเสื่อมเสียชื่อเสียงแก่วงตระกูลและแก่ตัวเองอีกด้วยเราก็ควรตับจิตตับใจเพราะมันเป็นเหตุแห่งความเสือ่อมไม่ใช่เหตุแห่งความเจริญฉะนั้นเราก็จะต้องแก้ด้วยอัดอัดตันยุตาอ่ะอัดตันยุอ่าเราจะต้องแก้ด้วยอัดตันยุตาขอประธานโทษเมื่อกี้ที่บอกว่าแก้ด้วยอัดฐานยุตา อ่าเมื่อในในข้อที่บอกว่าออัดฐานยุตาในข้อที่บอกสาสาเทยะโอ้อวดนั้นต้องแก้ด้วยอัดฐานยุตานะไม่ใช่อัดฐานยุตาอัดฐานยุตานี่แปลว่าความเป็นผู้รู้จักตนนะความเป็นผู้รู้จักตนไม่ใช่อัดฐานยุตาขอประธานโทษอัดฐานยุตาความเป็นผู้รู้จักตนว่าตนมีฐานะเป็นอะไรนะตนมีฐานะเป็นอะไรนี่อ่าเป็น เป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นครูอ่าเป็นนักเรียนเป็นนักศึกษาเป็นใาริการกรมกรองอะไรเป็นตำรวจทหารอะไรแล้วก็ปฏิบัติตนให้สมกับฐานะอ่าให้สมกับฐานะกับวงตระกูลอ่ากับความรู้อาภูมิที่ตนมีอันนี้แหละความเป็นผู้รู้จักตนและมาในข้อสารรัพะก็ในข้อสิบสองก็ต้องแก้ด้วยอตัรยุตาความเป็นผู้รู้จักตนอีกเหมือนกัน คือต้องรู้จักตนเองก่อนว่าตนเป็นอะไรตนคือใครเป็นอะไรมีฐานะเป็นอย่างไรมีความรู้เป็นอย่างไรนี่เมื่อเมื่อตอนมีฐานะมีความรู้เป็นอย่างไรมีความดีมากน้อยแค่ไหนก็รู้อย่างนี้แล้วก็ปฏิบัติตัวให้เหมาะสมกับฐานะให้ปฏิบัติตัวให้เหมาะสมกับความรู้คุณงามความดีที่ตนมีอันนี้แหละก็จะแก้ไอ้สารพะคือความแข่งดีได้ความแข่งดีได้ มาในข้อที่สิบสามตัวมานะความถือตัวนะใ้คนถือตัวก็คือถือตัวว่าตัวเองนั้นมีจิตสูงนะเป็นลักษณะมานะนี้ทำให้มัวเมาอยู่ในให้มัวเมาอยู่ในโลกนะคือมีความเย่อหยิ่งนะยกตนเองว่ามีลาบมียศประเสริฐกว่าผู้อื่นไม่ได้มีเหมือนคนอื่นไม่ได้มีเหมือนตนนะให้โทษก็คือว่าเป็นเครื่องป้องกัน คุณงามความดีที่จะเชื่อฟังนอบน้อมต่อผู้อื่นเป็นทางชักนำให้ผู้อื่นเกลียดชังนะทำให้ผู้อื่นเกลียดชังไม่อยากคบค้าสมาคมไม่อยากที่จะบอกดีไม่อยากที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลก็ทำให้ตัวเองนั้นได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนฉะนั้นอันนี้แหละเราก็จะต้องแก้ด้วยอัตรัญญตาอีกเหมือนกันก็คือว่าต้องรู้จักตนเองนะรู้จักตัวเองว่าเป็นอะไร อยู่กระทรวงกรมกองไหนมีภูมิรู้อย่างไรอเมื่อเรารู้อย่างนี้เราก็แก้ให้เหมาะสมกับฐานะของตนที่มีอยู่ให้แก้ให้เหมาะสมกับภูมิรู้ที่ตัวเองได้มีอยู่อันนี้ก็จะทําให้เกิดความสุขความเจริญได้มาในข้อที่สิบสี่อติมานะก็คือดูหมิน่นนะไอ้คําว่าดูหมิน่นท่านก็ได้แก่การศบประมาทดูหมิ่นผู้อื่นเห็นเขาเป็นคนเลวกว่าตนไปหมดไม่ไว้วาง อกิยาอัจาสัยต่อผู้อื่นที่ควรจะให้โทษอคือเป็นที่เกลียดชังของคนทั้งหลายหมายความว่าอคนที่มีอติมานะนี่ก็คือว่าเป็นคนที่ดูหมิ่นดูแคลนนดูหมิ่นดูแคลนเหยียดหยามผู้อื่นเห็นคนอื่นนี่เลวกว่าตนไปหมดเลยคนประเภทนี้ใช้ไม่ได้สร้างความทุกข์เดือดร้อนให้เกิดแก่ตนจะทําให้ผู้อื่นนี่เกลียดชังไม่มีใครอยากคบค้าสมาคมไม่มีใครอยากช่วยเหลือเกื้อกูล ไม่มีใครอยากที่จะให้แนะนำคร่าสอนก็เขาก็จะเป็นคนไม่มีความรู้อาจจะต้องได้รับความเดือดร้อนในภายหลังฉะนั้นเราจะต้องแก้ด้วยคารวาตาก็คือต้องมีความเคารพเคารพต่อกันเคารพต่อกันจากการแรกเราจะต้องเคารพในประพุติเคารพในพระธรรมเคารพในพระสงฆ์เคารพในการศึกษาเคารพในการศึกษาเคารพในปฏิสันฐานเคารพในความไม่ประมาท เพราะว่าถ้าหากว่าคนเราไม่ดูหมิ่นกันแน่นอนที่สุดเราก็จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันนั่นจะเป็นที่สมัครสมานสามัคคีเกิดความจงรักภักดีต่อกันเพราะเราทุกคนนั้นก็อยากดีด้วยกันทั้งนั้นอยากมีความรู้ด้วยกันทั้งนั้นแต่ที่เราดีหรือมีความรู้ไม่เท่ากันก็ขึ้นอยู่กับเหตหลายๆอย่างนขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมบ้างขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจในปัจจัยต่างๆอย่างนี้ฉะนั้นเมื่อเขาเป็นเช่นนั้นแล้วเราก็ ควรพูดดีกับเขาพูดให้เขามีกําลังใจอย่าพูดให้เขาเกิดน้อยเนื้อต่ําใจนะพูดให้เขามีกําลังใจแล้วก็จะมีแต่ความสุขความเจริญมาในข้อที่สิบห้าก็คือมัทะคือความมัวเมาให้ความว่ามัวเมาในที่นี้แน่นอนที่สุดอ่าคือเป็นคนที่มีอาการมัวเมาคือลุ่มหลงมัวเพล่มัวเมาเพลดิดเพลินทั่วไปในการเล่นต่างๆ่างนะมัวเมาในอบายามุก ความเป็นนักเลงหญิงความเป็นนักเลงชายเป็นนักเลงสุราเป็นนักเลงการพานันอ่าแล้วก็มั ว, มวเมาเกี่ยวกับเรื่องการร้องําขับร้องประคมดนตรีต่างๆอันนี้แหละเป็นเหตุให้ตนนั้นจะต้องถึงแก่ความหายานณะถึงแก่ทุกโทษโดนประการต่างๆ่ฉะนั้นจะต้องแก้ด้วยความเป็นผู้มีสติมีความรู้สึกตัวว่าที่ตนได้กระทําไปนั้นมันดีมันชั่วอย่างไรนะียดีมันชั่วอย่างไรถ้าหากว่าเรายังนึกไม่ได้เราก็จะต้องทําอะไรผิดผิดพลาด อันจะก่อกรรมทําชั่วก่อความเศร้าหมองให้เกิดขึ้นแก่ตนและก็เสื่อมเสียชื่อเสียงวงตระกูลอีกด้วยแายการสุดท้ายก็คือประมาทความเลินเล่อประมาทความลนเล่อในความเลินเล่อหรือความประมาทหรือความทนงได้แก่ความเผลอเผลอไม่ได้สติไม่ทันคิดไม่ทันยับยัง้งชั่งใจเพราะไม่ระวังะระวัยให้รอบคอบ ให้โทษก็คือมักจะผิดพลาดในกิจที่ทําคําที่พูดเปิดช่องรับภัยอันตรายต่างๆจะก่อเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนเราก็จะต้องแก้ด้วยอัปปมาทะก็คือความไม่ประมาทนั่นเองเมื่อเราไม่ประมาทก็จะนั้นได้ชื่อว่าเรานั้นได้อ่าประพฤติธรำปฏิบัติธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างสมบูรณ์พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ในปัจฉิมโอวาทว่าอัปปมาเทนะสัมปาเทถะ อว่าจงยังความไม่ประมาะทให้ถึงพร้อมฉะนั้นความไม่ประมาะทนี่แหละถือว่าคนไม่ประมาะทก็คือว่าคนที่มีสติคนที่มีสติคนมีสติก็คือคนไม่ประมาะทคนไม่ประมาะทก็คือคนที่ทําอะไรก็มีความสํารวมมีแต่ความระวังในกิจที่ทําคําที่พูดระวังสํารวมระวังทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจอตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกลมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องสัมผัสใจในึกคิดแต่ลมต่างก็มีความสำรวมระวัง หรือพูดง่ายๆทางกายจะทําอะไรก็สำรวมระวังทางวาจาจะพูดอะไรก็สำรวมระวังจิตใจจะคิดอะไรก็สํารวมระวังอย่างนี้แหละจะทําให้ให้กิจที่ทำคําที่พูดไม่ผิดไม่พลาดมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญเอาละการบรรยายเรื่องอุปาิเลสสิบหกอย่างก็พอสมควรกับเวลาในที่สุดนี้ขอให้นักเรียนนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความสวัสดีโดยทั่ว ก, กันขอเจริญพร